สี่เจะตุกะนิเทศบรรดาเจะตุกะมาิกาเหล่านั้นอาสะวะสี่เป็นไนอาสะวะสี่คือหนึ่งกามาสะวะอาสะวะคือกาม พอภาวสวะอาสวะพือพบสทิฐิสวะอาสวะเือทิฐิสี่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาบรรดาอาสวะสี่นั้นรามสวะเป็นไนความพอใจในกามความหมกมุ่นในกามนี้เรียกว่ากามาสวะภาวาสวะเป็นไงความพอใจในพบความหมกมุ่นในพบนี้เรียกว่าภวาสวะ ทิฏฐาสะวะเป็นไนความเห็นว่าโลกเที่ยงละถึงหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐาสะวะมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะเป็นไนความไม่รู้ในทุกลิมคืออวิชชา ภุสงรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชาสวะเหล่านี้ชื่อว่าอาสวะสีคันธะสีเป็นไนคันธะสีคือหนึ่งอภิชากายคันธะสองพยาบาทกายคันธะ 3. สศีลพตะปรามาสะกายคันธะสี่อีทางจัจจพิเิเวสะกายคันธะบรรดาคันธะสีนั้นอภิชากายคันธะเป็นไน ความกำหนัดความกำหนัดนักความเพ่งเลงอกุศลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอภิชาไกยคันถาพยาปาทกายคันถ ะ, ะเป็นไงความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทําความเสื่อมเสียแก่เราและถึงความดุร้ายความเกลี้ยวกราดความที่ชิดไม่เบิกบานนี้เรียกว่าพยาปาทกายคันถะ สีลพตะปรามาสะกายคันถาเป็นไงสมณพราหมายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลพตะประมาสะกายคันถาหิทางสัจจาพินิเวสะกายคันถะเป็นไน ความเห็นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าหรือโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอีทางสัจจาพินิเวสกายคันทะ เว้นสีลปะตะประมาสากายคันทะแล้วมิฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าอิทางจัจจะพิเนเวสากายคันทะเหล่านี้ชื่อว่าคันธะสี่โอขะสีและถึงโยขะสีอุปาทานสี่เป็นไนขุปาทานสี่คือหนึ่งกามุปาทานความถือมั่นกามสองทิฏฐุปาทานความถือมั่นทิฏฐิ สาีลปตุปาทานความถือมัน่นศีลพริ์สี่อตวาทุปาทานความถือมั่นวาทะาว่ามีตัวตนบรรดาอุปทานสีเหล่านั้นกามุปาทานเป็นไนความพอใจในกามความหมกมุ่นในกามนี้เรียกว่ากามุปาทานทิฏฐุปาทานเป็นไนความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผล สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ยิ่งเห็นจริงแจ้งประจักษ์โลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้เอื่นงรู้ไม่มีอยู่ในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานเว้นสีละประตุปาทานและอัตวาธุปาทานแล้วมิชาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐุปาทาน สีลปตุปาทานเป็นชนัยสมณพราหมายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลด้วยพรต ด, ด้วยศีลและพรต ด, ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นชนัยปุถุชนในโลกนี้ผู้มีสุตตาน้อยไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัพพุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพพุรุษไม่ได้รับการแนะนาในธรรมของสัพพุรุษย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปเห็นเวทนาเป็นตนเห็นสัญญาเป็นตนเห็นสังขารเป็นตนเห็นวิญญาณเป็นตน หรือย่อมพิจารณาเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอัตวาทุปาทานเหล่านี้ชื่อว่าอุปาทานสี่ตัณหปาทานเป็นไนตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุเพราะบินทบาทเป็นเหตุ เพราะเสนณะเป็นเหตุหรือเพราะกีฬานปัจจัยอันมีน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นที่ปราณีตและปราณีตยิ่งด้วยประการฉนี้เป็นเหตุเหล่านี้เรียกว่าตันหุปาทานอากติกคมณะสี่เป็นไฉนบุคคลย่อมถึงความลำเอียงเพราะรักใคร่กันเพราะเกลียดชังเพราะขา่าวเพราะกลัวความลำเอียงความถึงความลำเอียงการลำเอียงเพราะการรักใคร่กัน ความลำเอียงเพราะการเป็นพักพ่ว ก, กันความหันเหไปเหมือนน้ำไหลมีลักษณะเช่นว่านี้เหล่านี้เรียกว่าอคติขมนะวิปริเยเสะสี่เป็นไนะการแสวงหาผิดด้วยอำนาจความเข้าใจความคิดและความเห็นว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นตัวตนในสิ่งที่ไม่เป็นตัวตนและว่างามในสิ่งที่ไม่งามนี้ชื่อว่า วิปริเยสะอ น, นาริยะโวหารสี่เป็นไนอนริยะโวหารสี่คือหนึ่งเรื่องที่ไม่เห็นพูดว่าเห็นสองเรื่องที่ไม่ได้ยินพูดว่าได้ยินสเรื่องที่ไม่รู้พูดว่ารู้สเรื่องที่ไม่รู้แจ้งพูดว่ารู้แจ้งเหล่านี้เรียกว่าอนริยโวหารสี่อนริยะโวหารสี่อีกในหนึ่งเป็นไน อนิเรยโวหารสี่อีกในหนึ่งคือหนึ่งเรื่องที่เห็นพูดว่าไม่เห็นสองเรื่องที่ได้ยินพูดว่าไม่ได้ยินสเรื่องที่รู้พูดว่าไม่รู้สี่เรื่องที่รู้แจ้งพูดว่าไม่รู้แจ้งเหล่านี้เรียกว่าอนิริยโวหารสี่ทุจริตสี่เป็นไนทุจริตสี่คือหนึ่งปานาติบาฆ่าสัต 2. อ, อธินนาธานลักรัพสามกาเมสุมิฉาจาร์ประพฤติผิดในความ 4. มุสาวาผู้เท็ศเหล่านี้เรียกว่าทุจริตสี่ทุจริตสีอีกในหนึ่งเป็นไนทุจริตสีอีกในหนึ่งคือหนึ่งมุสาวาผู้เท็สองปิสุณวาจาผู้ส่อเสียสามพระรุสวาจาผู้คำหยาบสสัมผัส ป, ปลาปะผู้เพ้อเจ้อ เหล่านี้เรียกว่าทุจริตสี่ไพ่สี่เป็นไชนะัยไพ่สี่คือหนึ่งชาติภัยไพยที่เกิดเพราะอาศัยชาติสองชาราภัยไพยที่เกิดเพราะอาศัยชาราสาพยาธิภัยไพยที่เกิดเพราะอาศัยพยาธิสีม่มรณะภัยไพยที่เกิดเพราะอาศัยความตายเหล่านี้เรียกว่าไพยสี่ไพยสี่อีกในหนึ่งเป็นชนะ ภัยสคือหนึ่งราชาภัยภัยเกิดแต่พระราชาสองโจระภัยภัยเกิดแต่โจรสามอคิภัยภัยเกิดแต่ไฟสี่อุทกภัยภัยเกิดแต่น้าท่วมเหล่านี้เรียกว่าภัยสี่ภัยสี่อีกในหนึ่งเป็นไงภัยสี่คือหนึ่งอูมิภัยภัยเกิดแต่คลื่นสองปุมมะพีและภัย ภัยเกิดแต่เจร์เคสาอวตตะภัยภัยเกิดแต่น้ำวนสสุสุกราภัยภัยเกิดแต่ปลาร้ายเหล่านี้เรียกว่าภัยสี่ภัยสี่อีกในหนึ่งเป็นไนภัยสี่คือหนึ่งอัตานุวาทภัยภัยเกิดจากการติเตียนตนเองสองปานุวาทภัยภัยเกิดจากการถูกผู้อื่นติเตียนสทันทภัย ภยเกิดจากการถูกลงอาชียาสทุกติภัยภัยเกิดจากทุกติเหล่านี้เรียกว่าภัยสี่ทิฏฐิสีเป็นไนความเห็นเกิดขึ้นโดยจริงแท้มั่นคงว่าสุขทุกตนทำขึ้นเองและสุขทุกคนอื่นทำให้ความเห็นเกิดขึ้นโดยจริงแท้มั่นคงว่ า, ส, ส, ว า, วาสุขทุกเป็นสิ่งที่ตนทำขึ้นเองและผู้อื่นทาให้ ท, ทุกไม่ใช่ตนเองและผู้อื่นทำให้แต่เกิดขึ้นเองโดยเฉพาะเหล่านี้ชื่อว่าทิฏฐีจตุ ก, กะนิเทศจบห้าปัญจ ก, กะนิเทศบรรดาปัญจ ก, กะมาตุ ก, กานั้น โอรัมพาคียสังโยทห้าเป็นชะไหนโอรัมพาคียะสังโยทห้าคือหนึ่งสักกายธิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนสองวิจิกิจชาความสงสัยลังเลไม่แน่ใจ 3. สีลศีลปะตะปรามาตความยึดมั่นศีพลพรดสการมฉันทะความกำหนัดในกามคุณหพยาบาทความขัดเคืองแค้นใจ เหล่านี้ชื่อว่าโอรัมพาคียสังโยชน์ห้าอุทธามพาคียสังโยชน์ห้าเป็นไนอุทธามพาคียสังโยชน์ห้าคือหนึ่งรูปปราคาความกำหนัดในรูปสองอรู ป, ปราคาความกำหนัดในอรูปสามานะความเย่อหยิ่งถือตัวสี่อุทธัจจะความฟุ้งซ่านห้าอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริง เหล่านี้ชื่อว่าอุธรรมภาภิยสังโยชน์ห้ามัจจริยะห้าเป็นไนมัจจริยะห้าคือหนึ่งอาวาสัมาฉริยะตรณีที่อยู่สองกุลมัจจริยะตรณีตระกูลสลาภามัจจริยะตรณีลาบสี่วันณมัจจริยะตรณีวันณะหธรรมมัจจริยะตรณีธรรม เหล่านี้เรียกว่ามัจฉริยะห้าสังฆะห้าเป็นไนสังฆะห้าคือหนึ่งสังฆะคือราคะเคร e. ื่องข้องคือราคะสองสังคะคือโทสะเครื่องข้องคือโทสะสามสังฆะคือโมหะเครื่องข้องคือโมหะสี่สังคะคือมานะเครื่องข้องคือมานะห้าสังฆะทิฏฐิเครื่องข้องคือทิฏฐิ เหล่านี One, ้ชื่อว่าสังฆห้าสันละห้าเป็นชไหนสันละห้าคือหนึ่งสันละคือราคะลูกศรนคือราคะสองสันละคือโทสะลูกศรนคือโทสะสสันละคือโมหะลูกศรคือโมหะสสันละคือมานะลูกศอนคือมานะหสันละคือทิฐิลูกศอนคือทิฐิ เหล่านี้ชื่อว่าสันละห้าเจโตขีละห้าเป็นฉไนเจโตขีละห้าคือหนึ่งบุคคลย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาสองบุคคลย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมสบุคคลย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์สี่ บุคคลย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศึกขาห้าบุคคลย่อมมีจิตขุนเคืองไม่พอใจมีจิตกระทบกระทั่งมีจิตกระด้างในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเจโตขีละห้าเจตโสวิน so ิพันธะห้าเป็นไนเจตโสวินิพ so ันธะห้าคือหนึ่งบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัด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 บุคคลปรารถนาจะเกิดในหมู่เทศหมู่หนึ่งแล้วประพฤติพรหมจรรย์ด้วยผูกใจว่าเราจากเป็นเทวดาผู้มีศักใหญ่หรือเทวดาผู้มีสักน้อยองค์ใดองค์หนึ่งด้วยสีนี้ด้วยวัดนี้ด้วยตบะนี้หรือด้วยพรหมจรรย์ น, นี้เหล่านี้ชื่อว่าเจตโสวินิพันธ ะ, นนนะห้นน า, นานิวรห้าเป็นไหนนิวรห้าคือหนึ่งกามฉันทะนิวร ทำเป็นเคร um. ื่องกั้นความดีคือการฉันทะสองพยาปาทนิวรณ์ทำเป็นเครื่องกั้นความดีคือพยาบาทสถีนมิทะนิวรณ์ทำเป็นเครื่องกั้นความดีคือทีนามิทะสอุทจักุกุจจานิวรณ์ทำเป็นเครื่องกั้นความดีคืออุทจักุกุจจะหวิจิกิชนิวรณ์ทำเป็นเครื่องกั้นความดีคือวิจิกิจฉา เหล่านี้ชื่อว่านิวรห้อานันตริยกรรมห้าเป็นฉไนอนันตริยกรรมหคือ 1. มาตุคาต์ฆ่ามารดาสองปิตุคาต์ฆ่าบิดาสาอรหันตคาต์ฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตุปาตมีจิตประทุษร้ายทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงอย่างพระโลหิตให้ห่อด้วยจิตคิดร้าย 5. สังฆเภท ทำลายสงให้แตกกันเหล่านี้ชื่อว่าอนันตรียก ร, รมห้าทิฏฐิห้าเป็นฉไนทิฏฐิห้าคือหนึ่งสมณะหรือพรามพวกหนึ่งกล่าวยืนยันดังนี้ว่าอาตามีสัญญาหลังจากตายแล้วเป็นสภาวะที่เที่ยง 2. สมณะหรือพรามพวกหนึ่งกล่าวยืนยันดังนี้ว่าอาตามไม่มีสัญญาหลังจากตายแล้วเป็นสภาวะที่เที่ยง สมสมณะหรือพรามพวกหนึ่งกล่าวยืนยันดังนี้ว่าอาตามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่หลังจากตายแล้วเป็นสภาวะที่เที่ยงสสมณะหรือพรามพวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความไม่ปรากฏความไม่มีแห่งสัตว์ที่ยังปรากฏมีอยู่ 5. สมณะหรือพรามพวกหนึ่งกล่าวยืนยันนิพพานในปัจจุบันเหล่านี้เรียกว่าทิฏฐิห้า เวนห้าเป็นฉไนเวนห้าคือหนึ่งปานาติบาทฆ่าสัตว์สองอธินนาทานลักทรัพย์สามกาเมสุมิฉาจารประพฤติผิดในกามสมุสาวาศพูดเท็จหสุราเมริยะมัชช ะ, ะมาทัตฐานะดื่มน้ำเมาหรือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้ชื่อว่าเวนห้า พยาสนะห้าเป็นชไหนยพยาสนะห้าคือหนึ่งญาติพยาสนะความพินาศแห่งญาติสองโพคะพยาสนะความพินาศแห่งโภคทรัพย์สามโรคะพยาสนะความพินาศรห่งโรค 4. o u r ีลพยาสนะความพินาศแห่งศีลห้าทิฏฐิพยาสนะความพินาศแห่งทิฏฐิเหล่านี้ชื่อว่าพยาสนะห้า โทษแห่งความไม่อดทนห้าเป็นไนโทษแห่งความไม่อดทนห้าคือหนึ่งไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของชนมากสองมีเวรมากสมีโทษมากสหลงลืมสติตายห้าหลังจากตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกปฏิวินิบาณนรกเหล่านี้ชื่อว่าโทษแห่งความไม่อดทนห้าภัยห้าเป็นไงภัยห้าคือ 1. อาชีวกะไพไพยเกิดแต่การเลี้ยงชีพสองอาศิโลกะไพไพยเกิดแต่การติเตียนสปริษาราชไพไพยคือความขลากรัวเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมสมรณะไพไพยเกิดแต่มรณะหทุกติไพไพยเกิดแต่ทุกติเหล่านี้ชื่อว่าไพห้าทิฏฐธรมมนิพานวาทะห้าเป็นไน ทิฏฐธรรมะนิพพานวาทะห้าคือหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุที่อัตตนี้เอบอิ่มเพลิดเพลินอยู่ด้วยกรารมคุณห้าจึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งบรรญัินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรรมธรรมของสัตว์อย่างนี้สอง สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่บรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมเพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะกา ร, รมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเพราะกา ร, รมเหล่านั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นความเศร้าโศกความเครื่องครวญ ความทุกข์ความโทมนัสและความคลับแคลนใจจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่อาัตตานี้สังัดจจากกรามบรรลุปถมฌานอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรรมธรรมสมณะหรือพรามพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรรมธรรมของสักอย่างนี้สามสมณะหรือพรามอื่นกล่าวกับสมณะหรือพรามนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่บรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุใดเพราะวิตกวิจารที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นบันเึกกล่าวว่ายังเป็นของหยาบอยู่เพราะวิตกและวิจารณ์สงบไปแล้วอัตตานี้จึงบรรลุทุติยฌานที่ผ่องใสจึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบัน อันเป็นบรมธรรมสมณะหรือพรามพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นปรมธรรมของสัตว์อย่างนี้สสมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกับสมณะหรือพรา ม, ารมณ์มนั้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่บรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไร เพราะปิติและความลำพองใจที่มีอยู่ในทุติยชานนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะปิติจางคลายไปอัตตานี้ละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตานี้จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นปรมธรรมสมณะหรือพราหมพวกหนึ่งบรรจัดนิพพานในปัจจุบันว่าเป็นปรมธรรมของสัตว์อย่างนี้หาสมณะหรือพราหม์อื่น กล่าวกับสมณะหรือพรามนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่บรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะจิตยังคำนึงถึงสุขมีอยู่ในตติยชานั้นบันเิกกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่ละสุขและทุกข์เสียได้อัตตานี้ละถึง จึงบรรลุจตุธชานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลอัตานี้จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันเป็นบรมธรรมสมณะหรือพราหมูพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้เหล่านี้เรียกว่าทิฏฐธรรมะนิพพานวารถ้าห้าปัญจ ก, กะนิเทศจบ กะนิเทศบรรดาจักกะมาติกาเหล่านั้นวิวาทะมูลหกเป็นไนวิวาทะมูลหกคือหนึ่งโกทะโปรธสองมัคคะลบหลูคุณท่านสามอิสาฤิษยาสี่สาถอยะโ อ, โอ้อวดห้าปาปิชตาปรรธนารามกุกหกสันทิธิปรมาสิตายึดถือแต่ความเห็นของตน เหล่านี้ชื่อว่าวิวาทมูลหกฉันทราคะเคหสิตะธรรมหกเป็นฉไนฉันทราคะเคหสิตะธรรมหกคือหนึ่งความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่อาศัยกรรมคุณในรูปที่น่าพอใจสองความกำหนัดในเสียงที่น่าชอบใจสความกำหนัดในกลิ่นที่น่าชอบใจสความกำหนัดในรสที่น่าชอบใจ หความกำหนัดในโผฏฐพะที่น่าชอบใจหความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแข่งจิตที่อาศัยกามคุณในธรรมารมณ์ที่น่าชอบใจเหล่านี้เรียกว่าฉันทะราคะเคหสิ ต, ตะธรรมหกวิโรธวัตถุหกเป็นไ น, นวิโรธวัตถุหกคือหนึ่งความอาฆาตความกระทบแห่งจิตความดุร้ายความเกลียวกราด ความที่จิตไม่เบิกบานในรูปที่ไม่น่าชอบใจ 2. ความอาฆาตในเสียงที่ไม่น่าชอบใจ 3. ความอาฆาตในกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจ 4. ความอาฆาตในรสที่ไม่น่าชอบใจ 5. ความอาฆาตในผลพระที่ไม่น่าชอบใจ 6. ความอาฆาตความกระทบกระทั่งแห่งจิตความดุร้ายความเกลี้ยกราอมความที่จิตไม่เบิกบานในธรรมรมณ์ที่ไม่น่าชอบใจ เหล่านี้เรียกว่าวิโรทวัตถุหกตัณหากายหกเป็นไนตัณหากายหกคือหนึ่งรูปตัณหาตัณหาในรูปสองสัตตตัณหาตัณหาในเสียงสาคันธตัณหาตัณหาในกลิ่นสี่รสตัณหาตัณหาในรสห้าโภธภาตัณหาตัณหาในโภธภะหก ธรรมตันหาตันหาในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าตันหากายหกอคารวะหกเป็นไนอาคาระวะวหก ค, คือหนึ่งบุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาสองบุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมสามบุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์สบุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในศึกษา หบุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในความไม่ประมาทหบุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในปฏิสันฐานเหล่านี้ชื่อว่าอาัคารวะหกปริหานิยธรรมหกเป็นไนปริหานิยธรรมหกคือหนึ่งกามารามตตาความยินดีในการงาน 2. องภาษารามตตาความยินดีในการสนทนาสนิธารามตตา ความยินดีในการนอนหลับ 4. สังคเนกา ร, รามตาความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. สังสักพารามตาความยินดีในการติดต่อเกี่ยวข้องหกปปัญจารามตาความยินดีในธรรมเป็นเหตุเนื่นช้าเหล่านี้เรียกว่าปริหานิยธรรม6ปริหานิยธรรมหกอีกในหนึ่งเป็นไนะปริหานิยธรรมหกอีกในหนึ่งคือ หการามารามตาความยินดีในการทํางาน 2. ภาษารามตาความยินดีในการพูดคุย 3. นิทารารมตาความยินดีในการนอนหลับ 4. ส, สังคณนการามตาความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. โทวจัตสตาความเป็นผู้ว่ายาก 6. ปาปมิตตาความเป็นผู้มีมิชั่ว เหล่านี้ชื่อว่าปริหานิยธรรมหกสมณ ส, สุปวิจารหกเป็นไนสมณ ส, สุปวิจารหกคือหนึ่งบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วครุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งสมนัตสองบุคคลฟังเสียงทางหูละถึงสบุคคลดมกลิ่นทางจมูกสี่บุคคลลิ้มรสทางลิ้นห้าบุคคลถูกต้องผลทพะทางกาย บุคคลรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วคลุ่นคิดถึงธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งสมนัตเหล่านี้ชื่อว่าสมณัตสุปวิจารหกโทมณัตสุปวิจารหกเป็นไนโทมณัตสุปวิจารหกคือหนึ่งบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วคลุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่แต่งแห่งโทมนัตสองบุคคลฟังเสียงทางหูและถึงสบุคคลดมกลิ่นทางจมูก สบุคคลลิ้มรสทางลิ้นหบุคคลถูกต้องโผฏพะะทางกาย6บุคคลรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วครุ่นคิดถึงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมานต์เหล่านี้ชื่อว่าโทมานต์สุปวิจารหกอุเปกโผปวิจารหเป็นไ น, นอุเบกโผลวิจารหกคือหนึ่งบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วครุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 2. บุคคลฟังเสียงทางหูและถึงสบุคคลดมกลิ่นทางจมูกสบุคคลลิ้มรสทางลิ้นห้าบุคคลถูกต้องโผฏพหะทางกายหบุคคลรู้ธรรมารมทางใจแล้วครุ่นคิดถึงธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเหล่านี้ชื่อว่าอุเบกขูปวิจารหกเคหัสิตะสมุนัตหกเป็นฉไน เคหาสิตะสมณัตหกคือ 1. ความสำราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกลามคุณในรูปอันเป็นที่ชอบใจ 2. ความสำราญทางใจในเสียงอันเป็นที่ชอบใจ 3. ความสำราญทางใจในกลิ่ น, นอันเป็นที่ชอบใจ สความสําราญทางใจในรถอันเป็นที่ชอบใจหความสําราญทางใจในผลธรรมะอันเป็นที่ชอบใจ6ความสําราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสคิริยาสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกลามคุณในธรรมอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจเหล่านี้ชื่อว่า เคหสิตะโสมณทหกเคหสิตะโทมณทหกเป็ น, นไนเคหสิตะโทมณทหกคือหนึ่งความไม่สําราญทางใจความทุกข์ทางใจความสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสคิริยาที่สวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกลามคุณในรูปอันไม่เป็นที่ชอบใจ 2. ความไม่สำราญทางใจในเสียงอันไม่เป็นที่ชอบใจ 3. ความไม่สำราญทางใจในกลิ่นอันไม่เป็นที่ชอบใจ 4. ความไม่สำราญทางใจในรสอันไม่เป็นที่ชอบใจ 5. ความไม่สำราญทางใจในโภทภะอันไม่เป็นที่ชอบใจ 6. ความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส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 กิริยาสวยอารมณ์ท like so ี oriented, magic, billions, ่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกามคุณในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 2. ความสาราญทางใจก็ไม่ใช่และถึงในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 3. ความสาราญทางใจก็ไม่ใช่ในกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 4. ความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ในรสอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา ห ค, okay. ค, ความสําราญทางใจก็ไม่ใช่ในโภถภะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาหกความสําราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สําราญทางใจก็ไม่ใช่ความสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกามคุณในธรรมอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเหล่านี้ชื่อว่า เพขาสิโตเป็ขาหกทิฏฐิหกเป็นไนทิฏฐิหกคือหนึ่งความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่สองความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มีสความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตาความมีตัวตนสี่ ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอนัตตาความไม่มีตัวตนได้ด้วยอัตตาความมีตัวตนห้าความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอนัตตาความไม่มีตัวตนหความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรานี้นั้นเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้ สวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในภพนั้นนั้นเสี่ยงกาลนานอัตานั้นไม่เกิดไม่มีมาแล้วในอดีตอัตานั้นไม่เกิดจกไม่มีในอนาคตอัตตาเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงมีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาเหล่านี้ชื่อว่าทิฏฐิหกชั ก, กนิเทศจก นิเทศบรรดาสติกะมาติกาเหล่านั้นอนุสัยเจ็ดเป็นไนอนุสัยเจ็ดคือ1กามราคะนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือการมราคะ 2. ปฏิคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือปฏิคะ 3. มานานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือมานะสทิฏฐานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือทิฏฐ 5วิจิกิจฉานุใสกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือวิจิกิจฉาหภวราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือภวราคะเจอวิชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคืออวิชชาเหล่านี้ชื่อว่าอนุใสเจ็ดสังโยชน์เจดเป็นไงสังโยชน์เจดคือหนึ่งการาคะสังโยชน์ กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือกามราคะ 2. ปฏิฆะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือปฏิฆะ 3. มานะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือมานะสทิฏฐิสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือทิฏฐิ 5. วิจิกิจฉาสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือวิจิกิจฉาห ภวราคะสังโยชนกิเลคเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือภวะราคะ 7. อวิชชาสังโยชนกิเลคเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออวิชชาเหล่านี้ชื่อว่าสังโยชน์เจปริยุทธานะเจเป็นไนปริยุทธานะเจ็คือ 1. นึกามปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือกาม 2. ปฏิจค้าปริยุทธานะ กิเลสเป็นเคร 3, ana, uta, 4, ื i, uta, anyway 5, AAAAAAAA, uta, ่องครอบงำจิตคือปัิถะ 3. มานะปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือมานะ 4. ทิฏฐิปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือทิฏฐิ 5. วิจิกิจฉาปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือวิจิกิจฉาหกพราคะปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือภวราคะ7 อวิชาปริยุทธฐานะกิเลสเป็นเครื่องครอบเมืงำจิตคืออวิชาเหล่านี้ชื่อว่าปริยุทธฐานะเจ็ดอสัตถธรรมเจ็ดเป็นไนอสัตถธรรมเจ็ดคือหนึ่งเป็นผู้ไม่มีศรัทธาสองไม่มีหิริสามไม่มีโอตประศรีมีสุตตะน้อยห้ากียรติครานหหลงลืมสติเจ็ดมีปัญญาสามเหล่านี้ชื่อว่าอาสัตถธรรมเจ็ด ทุจริตเจ็ดเป็นไนทุจริตเจ็ดคือหนึ่งปานาติบาทฆ่าสัตว์สองอธินนาทานลักทรัพย์สามกาเมสุมิฉาจารประพฤติผิดในกามสมุสาวาศพูดเท็จหปิสุณวาจาพูดส่อเสียดหพรุษวาจาพูดคำหยาบเจสัมผัปปลาปะพูดเพอเจ้อเหล่านี้ชื่อว่าทุจริตเจ็ด มานะเจ็ดเป็นฉไนมานะเจ็ดคือหนึ่งมานะความถือตัวสองอติมานะความถือตัวจัดสมานาติมานะความเย่อหยิ่งสี่โอมานะความูหมิ่นตนเองหาอธิมานะความสำคัญว่าได้บรรลุหอาสมิมานะความสำคัญว่ามีตัวตนเจ็นิฉามานะความถือตัวผิด เหล่านี้ชื่อว่ามานะเจ็ดทิฏฐิเจ็ดเป็นไนทิฏฐิเจ็ดคือหนึ่งสมณะหรือพรามณบางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฐิอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเพราะอัตตานี้มีรูปสําเร็จมาจากมหาภูต ร, รูปสี่เกิดจากบิดามารดาหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกเพราะเหตุเพียงเท่านี้อัตตานี้จึงขาดศูนย์โดยสิ้นเชิง สมณะหรือพรามพวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้สองสมณะหรือพรามอื่นกล่าวกับสมณะหรือพรามนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้จะไม่ใช่ขาดศูนย์โดยสิ้นเชิงเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพมีรูปเป็นกามาวจร บริโภคข้าวเป็นอาหารท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เห็นเพราะอัตตานั้นแหลหลังจากตายแล้วย่อมขาดสูญพินาศไม่เกิดอีกเพราะเหตุเพียงเท่านี้แหลอัตตานี้จึงขาดสูญโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งบรรจับจความขาดสูญความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้สสมณะหรือพราหมอื่น กล่าวกับสมณะหรือพรามนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่เช่าขาดศูญย์โดยสิ้นเชิงเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพมีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวิวะครบท้วนมีอินทรีไม่บกพร่องมีอยู่จริงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เห็นเพราะอัตตานั้นแหล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 แต่อัตานี้ไม่เชื่อขาดศูนย์โดยสิ้นเชิงเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่เข้าถึงอากาส า, า, า, า, านัญจายตนะชาญโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูก ป, ประสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กําหนดนานตสัญญาโดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เห็นเพราะอัตานั้นแหลหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูญย์พินาศไม่เกิดอีก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 สมณะหรือพราหมูพวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้หสมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมูนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่เชื่อขาดศูญย์โดยสิ้นเชิงเพราะเหตุเพียงเท่านี้ ยังมีอัตตาอื่นที่เข้าถึงอาคินจัญญายตนะฌานโดยกําหนดว่าอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะลวงวิญญาณัญญายตนะเสดได้โดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เห็นเพราะอัตตานั้นแหลหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูญย์พินาศไม่เกิดอีกเพราะเหตุเพียงเท่านี้แหลอัตตานี้จึงขาดศูนย์โดยสิ้นเชิงสมณะหรือพรามณพวกหนึ่ง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 อัตตะกะนิเทศจบแปดอัตตะกะนิเทศบรรดาอัตตะกะมาติกาเหล่านั้นกิเลสวัตุแปดเป็นไนกิเลสวัตุแปดคือหนึ่งโลภะความโลภ 2. โทสะความคิดประทุสร้ายสามโมหะความหลงสี่มานะความถือตัวห้าทิฏฐิความเห็นผิดหวิชิกิจฉาความลังเลสงสัยเจ็ดถีนะความหดหู่ท้อแท้ 8. ดอุทจจะความฟุ้งซ่านเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสวัตถุแปดกุศีตวัตถุแปดเป็นไนกุศีตวัตถุแปดคือหนึ่ง พิสุในธรรมวินนันนี้มีการงานที่ต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำการงานแต่เมื่อเรากำลังทำการงานอยู่จากลำบากกายเอาละเรานอนดีกว่าเธอจึงนอนไม่เริ่มความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้ชื่อว่าปุสีตวัตุข้อที่หนึ่งสอง ภิกษุทําการงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทําการงานแล้วเมื่อเรากำลังทําการงานอยู่กายข้อลำบากเอาละเรานอนดีกว่าเธอจึงนอนไม่เริ่มความเพียรเพื่อถึงทาที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทาที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทาที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี้ชื่อว่ากุศีตะวัตถุข้อที่สองสภิกษุต้องเดินทาง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 เมื่อเรากำลังเดินทางอยู่กายก็ลำบากเอาละเรานอนเธอจึงนอนไม่เริ่มความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุษทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้ชื่อว่ากุศีตวัตถุข้อที่สี่หภิกษุเที่ยวไปบินทบาทยังบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะยาหรือปราณีเพียงพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวไปบินทบาทยังบ้านหรือนิอคมก็ไม่ได้โภชนะยาหรือปราณีตเพียงพอแก่ความต้องการกายของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยเมื่อควรแก่การงานเอาละเรานอนเธอจึงนอนไม่เริ่มความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุษทมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี้ชื่อว่าปุสีต่วัตถุข้อที่ห้าหก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 เพื่อทาให้แจ้งทาที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี้ชื่อว่ากุศีตวัตุข้อที่ 8. แเหล่านี้ชื่อว่ากุศีตวัตุ8จิตกระทบในโลกรธรรม8เป็นไนจิตกระทบในโลกประธรรม8คือ 1. ความยินดีในลาบ 2. ความยินร้ายในความเสื่อมลาบ 3. ความยินดีในยศ 4. ความยินร้ายในความเสื่อมยศ หความยินดีในการสรรเสริญหความยินร้ายในการนินทาเจความยินดีในสุขแปความยินร้ายในทุกข์เหล่านี้ชื่อว่าจิตกระทบในโลกธรรมแปดเหล่านี้อนัิยะโวหารแปดเป็นไงอนัตติยะโวหารแปดคือหนึ่งเมื่อไม่เห็นพูดว่าเห็นสองเมื่อไม่ได้ยินพูดว่าได้ยินสมเมื่อไม่รู้พูดว่ารู้ สเมื่อไม่เข้าใจพูดว่าเข้าใจหเมื่อเห็นพูดว่าไม่เห็น 6. เมื่อได้ยินพูดว่าไม่ได้ยินเจเมื่อรู้พูดว่าไม่รู้ 8. เมื่อเข้าใจพูดว่าไม่เข้าใจเหล่านี้ชื่อว่าอนาริยโวหารแปมิจฉาตแปดเป็นไนะมิจฉาตแปดคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสองมิจฉาสังกัปปะดำริผิด สมิจฉาวาจาเจรจาผิดสี่มิจฉากรรมมันตะการงานผิดห้ามิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดหกมิจฉาวายามะพยายามผิดเจ็ดมิจฉาสติระลึกผิดแปมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดเหล่านี้ชื่อว่ามิจฉัตาแปดบุรุษโทษแปดเป็นไนบุรุษโทษแปดคือหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้โจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นแก้ตัวโดยการอ้างว่าไม่มีสติอย่างนี้ว่าเราระลึกไม่ได้เราระลึกไม่ได้นี้ชื่อว่าภุรุโทษข้อที่หนึ่งสองภิกษุโจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัตินั้นโต้ต่อผู้โจทย์ว่าการพูดของท่านผู้โง่เขลาไม่ฉลาดจะมีประโยชน์อะไร แม้ท่านก็ยังเข้าใจผมว่าควรว่ากล่าวนี้ชื่อว่าบุรุโษข้อที่สองสามพิสุโจพิสุด้วยอาบัตพิสุผู้ถูกโจทด้วยอาบัตนั้นกลับปรับอาบัตแก่พิสุผู้โจดนั้นว่าถึงท่านก็ต้องอาบัตชื่อนี้ท่านจงแสดงอาบัตนั้นเสียก่อนนี้ชื่อว่าบุรุโษข้อที่สามสี่พิสุโจพิสุด้วยอาบัต พิสูตผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นยกเหตุอื่นๆมาพูดกลอกเกลื่อนพูดชักให้เคว้เป็นนอกเรื่องเครืองแสดงความโกรธเพืองและอาการไม่พอใจนี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่สี่หพิสษุโจทย์พิสูตด้วยอาบัตพิสูตผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัตินั้นโบกมือปฏิเสธในถ้ำกลางสงนี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่ห้าหกพิสูโจทย์ิสูตด้วยอาบัต ภิกษุผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัตินั้นนิ่งเฉยเสียด้วยคิดว่าเราไม่ต้องอาบัตเลยแต่ความจริงเราต้องอาบัตแกล้งสงให้ลำบากนี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่หกเจ็ดภิกษุโจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัตินั้นไม่เอื้อเฟื้อสงไม่เอื้อเฟื้อโจทย์หลีกไปตามชอบใจทั้งที่ยังมีอาบัติติดตัวอยู่นี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่เจ็ดปด ภิกษุโจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทําไมหนอท่านจึงวุ่นวายกับกระผมนะักบัตนี้กระผมจะลาสิกขาไปเป็นครหัตเธอข้อลาสิกขาไปเป็นครหัตแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าบัตนี้แลท่านคงพอใจนี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่ 8. แปดเหล่านี้ชื่อว่าบุรุษโทษแปด อสัญญีวาทะแปดเป็นไนสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าหนึ่งอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาสองอัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาสอัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาสอัตตามีรูปก็ม่ใช่ ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาหอัตตามีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาหอัตตามีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาเจ็อัตตามีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาแปดอัตตามีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ ย่างยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาเหล่านี้ชื่อว่าอาสัญญีวาฏแปดเนวสัญญีนาสัญญีวาฏแปดเป็นไนสมณะหรือพรามพวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าหนึ่งอัตตามีรูปย่างยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่สองอัตตาไม่มีรูปย่างยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 3. อัตตาที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 4. อัตตามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 5. อัตตามีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 6. อัตตา brasile, ไม่มีที่สุดย <6. ından S 2> ั<ๆ>่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 7. อัตตามีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 8. อัตตามีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหล่านี้ชื่อว่าเนวสัญญีนาสัญญีวาทะแปดอัตกะนิเทศจบ